นโมตัสสะภะคะวะโต arahato u t t s a t นโมตัสสะภะคะวะโต arahato s a m m u t t a s a นโมตัสสะภะคะวะโต arahato samma samputtasat พุทธังธรรมังสังังนมัสามิ บทนี้จะได้แสดงธรรมกราสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจาเคารพเธอหัวข้อที่8มิจฉาวายามะพระพุทธภาษิตการประพฤติเปลือยกายการกล่าวชดาการนอนบนเปลือกต่มการอดอาหารการนอนบนแผ่นดิน ความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยธุลีความเพียรด้วยการนั่งกระโยงทั้งหมดนี้ไม่ทำให้คนที่ยังไม่ร่วมความสงสัยบริสุทธิ์ได้พระพุทธพจน์นี้รวมเอาลัทธิพจน์ของนักบวตอินเดียไว้วามากปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้ดูอยู่ทุกอย่างรวมทั้งนักพจน์เปลือยกายด้วยไม่เพียงแต่เปลือยกายเฉพาะในที่ของตนเท่านั้น พวกเขายัางเดินไปได้ทุกแห่งในเมืองไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครว่าอะไรถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในทางศาสนาบางทีเห็นพวกนักบวชเปลือยขี่ม้ากันเป็นแถวบางทีก็เดินนักพรตในอาการต่างๆบ้างเปลือยกายบ้างก้าวชดาบ้างนอนบนเปลือกตมนอนบนน้าเอาน้าแทงตัว บางอดอาหารบางนอนบนแผ่นดินไม่ยอมมีเครื่องปูลาดบางก็คลุกฝุ่นอยู่ตลอดเวลาเอาขี้ฝุ่นและขี้เท่าทาตัวบางนั่งกระยงเป็นต้นนักรถพวกนี้มุ่งความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่หาทางไม่ถูกเข้าใจว่าที่ตนประพฤติอยู่นั้นแหละเป็นทางนําไปสู่ความบริสุทธิ์แต่ตราบใดที่ใจของเขายัางหมกมุ่นหรือหมักหมมอยู่ด้วยความโลภ ความอยากได้ความฤทิ์ยาตราบนั้นความเป็นสมณนะของพวกเขาก็ไม่มีประโยชน์อันใดเป็นเพียงเครื่องมือหากินรถถูกนำด้วยความอยากและนำไปสู่ความอยากนักพรถพวกนี้จะยังติดแน่นอยู่ในลาบสการะแต่ทำตนประหนึ่งว่าไม่ต้องการอะไรหลอกลวงปวงชนให้หลงผิดสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นไม่ทำให้เขาบริสุทธิ์ได้เลย พจเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธและทรงตําหนิว่าไม่เป็นทางทําให้กิเลสสงบระงับได้ทรงถือเป็นทางสายตึงเกินไปที่เรียกว่าอัตกิลมัฐานุโยคเป็นการทรมานตนที่แรงเกินไปจนกลายเป็นการเบียดเบียนตนเองโดยไร้ประโยชน์ไม่เป็นทางนําไปสู่ความพ้นทุกข์โดยชอกีแต่จะทําตนให้ทุกทรมานมากขึ้นเพิ่มทุกข ให้แก่ตนซึ่งทุกอยู่โดยธรรมชาติแล้วธรรมบทฉบับของด็ตอร์เอสลาธกฤษนัน์ปราดชาวอินเดียได้เล่าเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับนักพศสกปกพวกนี้ว่าคราวหนึ่งพวกนักบวชสีเปื่อยได้รับเชิญกินเลี้ยงที่บ้านลูกสาวคนหนึ่งของท่านอนาธบิณกะเศรษฐีนางได้เรียกลูกสะั้ยชื่อส um ุมาคธา ให้ไปไหว้นักบวชเปลือยนั้นบอกว่าท่านเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์เป็นอัญชลีกระนยบุคคลสุมาคถาเข้าใจว่าเป็นพระเช่นพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะหรือสาวกอื่นๆของพระพุทธเจ้าจึงรีบไปด้วยความยินดีแต่เมื่อได้เห็นนักบวชเปลือยเหล่านั้นซึ่งมีผมยาวแข็งเหมือนปีกนกยุง ดูด้านเปรอะไปด้วยฝุ่นสกรปรกคล้ายอสุ ร, รกายนางจึงร้องให้รีบกลับเมื่อแม่ผัวาถามว่าทำไมจึงร้องให้นางตอบว่าโอ้มารดาถ้าคนพวกนี้เป็นอรหันต์แล้วก็คนที่เลวกว่านี้จะเป็นเช่นไรดอกเตอร์เอสลาทะกิษนันอ้างข้อความนี้ว่ามาจากอามะขันทสูตรหรวงเล็บและธรรมบทของแม็ก โมเลอในอัธกถาธรรมบทภาคสามได้เล่าเรื่องพ่อผัวของนางวิสาขาเชิญนัก บ, บวชเปลือยมาฉันที่บ้านและให้นางวิสาขาไปไหว้บอกว่าเป็นพระอรหันต์เมื่อวิสาขามาเห็นเป็นพวกเปลือยก็กระดากคิดว่าคนไม่มีเฮริอย่างนี้เป็นอรหันต์ไม่ได้นางไม่ยอมไหว้ไม่ยอมนั่งกลับไปเสียเฉย พวกเปลือยติเตียนวิคาระเศรษฐีว่าหญิงที่ดีกว่านี้ในชมพูทวีปไม่มีอีกแล้วหรือจึงเอาหญิงกาลกิ น, นีมาเป็นสภัายแต่ความจริงวิสาขาหาได้เป็นกาลกิ น, นีไม่นางเป็นหญิงที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกดังได้กล่าวมาแล้วในบุพวัตวงเล็บทางแห่งความดีเล่มที่หนึ่งพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ นิยมสายกลางคือไม่หย่อนเกินไม่ตึงเกินและชักนำให้ขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์แทนการทรมานกายถ้าจะทรมานทรงสอนให้ทรมานอินทรีข่มอินทรีคือบังคับตาหูจมูกลินกายและใจไม่ให้เป็นทางรั่วไหลมาแห่งความดีใจเสียใจหรืออภิชาและโถมนัตเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นนักรตบางประเภท ปีกายออกจากกามแต่ใจยังผัวพันอยู่ในกามย่อมไม่อาจพ้นทุกได้บุคคลบางประเภทชุ่มอยู่ด้วยกามทั้งกายและใจไม่อาจตัดสรู้ได้บุคคลบางคนออกห่างจากกามทั้งกายและใจคนประเภทนี้แหละสามารถตัดสรู้รมได้โดยเร็วพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเป็นมัชิ ม, มาปฏิปทาไม่ข้องแวะด้วยกามสุขาริการุโยคคือสายหย่อนเกินและอัตตกิมทานุโยก สายตึงเกินมัใชิมาปฏิบัติมุ่งตรงไปสู่พระนิพพานพระพุทธภาสิทธิ์เรื่องนี้ภะษาสดาต์ปรารกพระผู้มีของมากบงเล็บพระหุพันธิกะขณะประทับอยู่ที่เจตวนารามเมืองสาวัตถีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ความว่ากุดุมพีหรือผู้มีอันจะกินคนหนึ่งชาวเมืองสาวัตถี เมื่อภรรยาทํากาละคือตายแล้วก็ออกบวชก่อนบวชให้สร้างบริเวณเรือนไฟและห้องเก็บของส่วนตัวบรรจุของเป็นจํานวนมากเช่นเหนยใสเลยข้นน้ํามันเป็นต้นให้เต็มห้องเก็บของแล้วจึงบวชเมื่อบวชแล้วก็เรียกพวกทาตของตนมาหุงต้มอาหารตามที่ตนชอบใจมิได้สแสวงหาอาหารโดยบินทบาทเยี่ยงภิกษุทั้งหลายอื่นเป็นผู้มีของมากมีบริขารมาก เครื่องนุ่งห่มกลางคืนเป็นอย่างหนึ่งวงเล็บคือมีชุดกลางวันกลางคืนอยู่ที่กุฏิหลังสุดท้ายวันหนึ่งขณะที่ภิกษุนั้นตากจีวรและผ้าปูที่นอนอยู่ภิกษุหลายรูปเที่ยวเดินดูเสนาสะนะมาถึงที่อยู่ของพระรูปนั้นเห็นจีวรและผ้าปูนอนจานวนมากจึงถามว่าของใครภิกษุนั้นตอบว่าของข้าพเจ้าเองภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่า ผู้มีอายุพระตถาคตเจ้าทรงอนุญาตผ้าพเพียงสามผืนฉนัยท่านจึงมีผ้ามากนักอันหนึ่งท่านบวชในศาสนาของพระทศพลผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งฉนัยท่านจึงสะสมบริคารไว้มากเหลือเกินภิกษุทั้งหลายพาภิกษุผู้มีบริคารมากนั้นไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบอย่างนั้นหรือภิกษุพระศาสดาตรัสถาม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 คือผ้านุ่งผืนเดียวยืนอยู่ท่ามกลางบริษัทสี่เราจะเห็นได้ว่าสมัยนน้นก็มีภิกษุแปลกแปกแฝงแฝงเหมือนกัน<อ>ขนาดต่อนหน้าพระศาสดายังกล้าขนาดนี้นั่นคือวิสัยของกิเลสมันไม่ได้มีฮิริอุตปะลํำดับนั้นพระศาสดามุ่งอุปถัมภิกษุนั้นจึงตัดเตือนว่าดูก่อนภิกษุเมื่อก่อนนี้เธอเป็นผีเสื้อน้า บ่งเล็บปรากสดจะาเชิองอัดระเดชฉบับมหาบกุฏว่าประธานุกรมกระทรวงศึกษาธิการพศ2470ว่ารากสดคือยักษ์ผีเสื้อน้ำเป็นชื่อพวกอสูรอย่างเลวมีนิสัยดุร้ายชอบเที่ยวตามป่าทำลายพิธีและกินคนด้วยถึงกันนั้นเธอยังเที่ยวสแสวงหาฮิริโอตะปะอยู่ถึงสิบสองปีในรูปแห่งเทวธรรม มาบัดนี้เธอบวชในศาสนาของตถาคตผู้มีหิริโอตตปะทำไมเธอจึงละทิ้งหิริโอตตปะเสียเล่าภิกษุนั้นกลับได้หิริโอตตปะหยิบจีวรขึ้นหม่มถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งอยู่ในที่อันควรแก่ตนภิกษุทั้งหลายทูลถามพระผู้มีพระภาคเพื่อให้ทรงประกาศความข้อนั้นพระตถาคตจึงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ปุพกรรมของภิกษุนั้น ในอดีตการพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระคันแห่งพระอัครมเหสีของพระเจ้าพระราชสีมีพระนามว่ามหิสาสกุมารพระอนุชาพระนามว่าจันทกุมารต่อมาพระราชมารดาที่วงคตพระราชาจึงสถาปนาสตรีอีกนางหนึ่งขึ้นในตําแหน่งอัครมเหสีนางประสูติพระโอรสพระนามว่าสุริยะกุมาร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 ให้เดินทางไปอยู่ในป่าเสียชั่วคราวเมื่อพ่อตายแล้วจึงค่อยมารับราชสมบัติพระราชโอรสทั้งสองทรงตั้งอยู่ในพระโอวาทจึงเสด็จออกจากพระราชวังที่ประทับขณะนั้นสุริยกุมารทรงเล่นอยู่ที่พระลานหลวงทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าพี่ยาเถอทั้งสองทรงทราบความแล้วเสด็จร่วมไปด้วยเมื่อเสด็จถึงหิมวันตะประเทศพระโพธิสัตว์ คืมหิตสาสากุมารหยุดนั่งพักใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งขอให้สุริยะกุมารน้องสุดท้องไปเอาน้ําในสาใกล้ๆมาให้ดื่มวิธีนําน้ํามาก็คือหักใบบัวแล้วเอาน้ําใสมาขอให้สุริยะกุมารดื่มและอาบตามต้องการเสียก่อนแล้วจึงนํามาให้พี่ทั้งสองภายหลังสุริยะกุมารทําตามนั้นสานั้นมีผีเสื้อน้ํำรักษา เขาได้พรจากเท้าเวสสวนว่าให้จับคนที่ลงสะกินได้ยกเว้นคนที่รู้เทวธรรมสุริยะกุมารลงสู่สะผีเสื้อจับได้ผีเสื้อถามว่ารู้เทวธรรมหรือไม่กุมาตรตัดตอบว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์คือเทวธรรมผีเสื้อกล่าวว่าท่านไม่รู้เทวธรรมแล้วจับลงไปในภพของตนเมื่อเห็นสุริยะกุมารช้าอยู่พระโคธิสัตว์จึงส่งจันทรกุมารไปดู แม้จันท ก, กุบาลนั้นก็ถูกผีเสื้อน้านําจับเสีย อ, อีกเพราะตอบเทวธรรมว่าทิศทั้งสี่ชื่อว่าเทวธรรมเมื่อจันท ก, กุมารช้าอยู่พระโพธิสัตว์จึงเสด็จไปเองทรงเห็นรอยเท้าแห่งพระอนุชาทั้งสองแล้วทราบว่าสระนี้มียักษ์รักษาจึงสอดพระขันธ์ถือธนูยืนอยู่ผีเสื้อยักเข็นพระโพธิสัตว์ไม่ลงสระจึงแปลงเพศเป็นชายชาวป่าเดินมาทักถามว่า บุรุษผู้เจริญท่านเดินทางเนหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียฉะไหนจึงไม่ลงสระดื่มและอาบตามปรารถนาเคี้ยวกินเง่าบัวประดับดอกไม้เล่าพระโพธิสัตว์พอเห็นชายผู้นั้นเท่านั้นก็รู้ทันทีว่าเป็นยักษ์จึงถามว่าท่านจับน้องชายของฉันไปหรือใช่ข้าพเจ้าจับไปเองยักษต์ตอบอันนี้คือพระโพธิสัตว์ท่านผู้มีปัญญาเวลาจะทาอะไรไปที่ไหนจะต้องพิจารณา เห็นรอยเท้าลงสระน้ําเห็นแต่รอยลงไปไม่เห็นรอยกลับก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ก็เลยไม่ผีผามลงไปก็เตรียมดาบเตรียมอะไรไว้พร้อมที่จะจัดการเพางั้นแต่ถึงได้โตตอบถามกันว่าจับน้องชายไปใช่ไหมครับแต่ว่าใช่ฉันจับไปเองแล้วจับเข้าไปทําไมจับไว้กินครับท่านมีสิทธิจับคนทุกคนหรือ เฉพาะคนที่ไม่รู้เทวธรรมต้องการเทวธรรมหรือใช่ฉันนี่แหละรู้เทวธรรมถ้ารู้ก็จงกล่าวฉันมีกายหมักหม ม, มไม่อาจกล่าวได้ยักยอมอนุญาตให้พระโพธิสัตว์อาบน้ําดื่มน้ําจนเรียกร้อยแล้วจึงฟังธรรมพระโพธิสัตว์กล่าวเทวธรรมว่าหิริโอตตะสัมปันาสุกะ ธรรมะสมาหิตาสันโตสั พ, พุริสาโลเกเ ท, ทวธรรมาติวจเรบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตปะทั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวคือกุศลธรรมเป็นผู้สงบเป็นสัตตบรุษในโลกนั่นแหละท่านเรียกว่าผู้มีเทวธรรมจำไปแล้วนะเทวธรรมเวธรรมก็คือหิริโอตตปะหิริโอตปโอตปะสัมปนา กล่าวโดยย่อเฮริโอตาปะนั่นแหละคือเทวธรรมเท่ากับธรรมของผู้เป็นเทพยักฟังแล้วเลื่อมใสกล่าวว่าท่านเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้เทวธรรมข้าพเจ้าจะให้น้องชายของท่านคนหนึ่งท่านต้องการคนใดข้าพเจ้าต้องการน้องชายคนเล็กก่อนพระโพธิสัตว์กล่าวยักหัวเราะพรางกล่าวว่าท่านรู้เทวธรรมอย่างเดียวเท่านั้นหาปฏิบัติเทวธรรมไม่เพราะเหตุไรท่านจึงว่าฉันอย่างนั้น เพาท่านให้นําน้องชายคนเล็กมาชื่อว่ามิได้ประพฤติอัปจายิก ก, กรรมคือความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญต่อผู้มีอายุสูงกว่าพระโพธิสัตว์กล่าวว่าฉันรู้ทั้งเทวธรรมและประพฤติเทวธรรมฉันต้องเข้าป่าเพราะน้องชายคนนี้เป็นเหตุหากน้องคนนี้ถึงตายแม้ฉันจะบอกว่ายักษ์ตนหนึ่งกินน้องของฉันก็จะหามมีใครเชื่อไม่ คนทั้งหลายคงคิดว่าชั้นวางกุบายค่าน้องเป็นแน่แท้นี่เพราะพระองค์รู้ว่ามันมีปัญหาระหว่างน้องที่เป็นเกิดจากแม่เลี้ยงเนี่ยที่เขาก็จะแม่ก็ขอพรขอราชสมบัตินแล้วพ่อก็อยากให้ลูกทั้งสองนี้เป็นนี่บังเอิญว่ามาเจอน้องชายคนเล็กน้องชายก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่ก็เลยตามพี่ชายไปด้วยเนย แต่ว่าพี่ชายทั้งสองรู้เรื่องทั้งหมดแล้วที่พอเล่าให้ฟังเนี่ย mm. ก็เลยได้กล่าวเรื่องนี้โตตอบกับยากได้เพราะว่ามาเพราะน้องชายคนนี้เป็นเหตุถ้าหากว่าน้องคนนี้ถึงตายคนเขาก็จะคกรหานินทาว่าพี่ชายสององค์นี่แหละวางแผนฆ่าน้องชายนีย่อันนี้นั่นคือผู้มีปัญญาท่านก็เลยขอเลือกเอาน้องคนเล็กก่อน พระโพธิสัตว์ได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ยักษ์ฟังยักษ์ยิ่งเลื่อมใสามากขึ้นนีสรรเสริญว่าท่านบัณฑิตท่านรู้เทวธรรมและประพฤติเทวธรรมด้วยแล้วได้นําน้องชายทั้งสองมามอบให้พระโพธิสัตว์ลําดับนั้นมหิาสาสกุมารได้พนานาโทษแห่งความเป็นยักษ์ให้ยักษ์นั้นเลิกกินคนตั้งอยู่ในศีลห้าพระโพธิสัตว์ได้น้องชายทั้งสองความนักอยู่ในป่าได้ยักษ์ช่วยรักษาคุ้มภัยตลอดมา จนกระทั่งทราบข่าวว่าพระราชบิดาสวรรคตแล้วจึงกลับมาสู่เมืองพระลาณสีพายักษ์มาด้วยเมื่อได้ครองราชแล้วพระราชทานตําแหน่งอุปราชแก่จันทกุมารตําแหน่งเสนาบดีแก่สุริยะกุมาโรโปรดให้สร้างที่อยู่อันเป็นโรมนิยสถานแก่ยักษ์ทำให้เป็นผู้ถึงความเลิอดด้วยลาบคือมีลาบมากการที่ยักษ์มีลาบมากนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายเพราะอยู่ใน พระอุปรถรมของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อราชายกย่องแล้วใครๆก็พอยกย่องตามพระศาสดาตัดประชุมชาดกว่าจันทกุมารในครั้งนั้นมาเป็นพระสารีบุตรสุริยักษ์กุมารเป็นพระอาณน ร, รากสดหรือยักษ์เป็นภิกษุผู้มีของมากส่วนมหิสาสะกุมารคือเราตถาคตนี่เองพระทศพลตัดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุ ในการก่อนเธอเป็นผู้แสวงหาเทวธรรมสมบูรณ์ด้วยเฮลิโอตปะแล้วจะไหนบัดนี้เธอจึงยืนเปลือยกายทำกลางบริษัทเล่าแม้เธอจะกล่าวว่าเพื่อความปรารถนาน้อยก็หาถูกต้องไม่เธอทำกรรมไม่สมควรเพราะว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นสมณะด้วยเหตุที่ไม่นุ่งห่มผ้าก็หาไม่ดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมต่อไปว่า การประพฤติเปลือกกายการก้าวชดาเป็นต้นไม่ทำให้คนที่ยังไม่ร่วงความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้มีนยะดังพรนนามาแล้วนั่นแหละผู้ประดับกายประพฤติธรรมอลังกโตเจปิสมังสจเจรยะสันโตทันโตนิยโตพรหมจารีสัพเพสุภูเตสุนิธายะทันทังโสพราโมโสสมโนสภพิคุ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 เพื่อเจียดเงินไว้ซื้อเสื้อผ้าแพรพันเครื่องอาภรประดับกายทั้งนี้เพราะเธอได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองว่าคราวใดเธอตกแต่งร่างกายให้สวยงามเธอจะรู้สึกเด่นภาคภูมิในตนไม่มีปมด้อยในสังคมแต่คราวใดเธอแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆหรือไม่เทียมหน้าคนอื่นเธอจะรู้สึกหน่อยรู้สึกมีปมด้อยในวงสมาคม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 ยิ่งสมาคมใหญ่หรือมีเกียรติมากเพียงใดเราก็จะยิ่งพิถีพิถันในการแต่งกายมากขึ้นเพียงนั้นเราแต่งกายเพื่อผู้อื่นเพื่อสมาคมหรือสังคมจริงๆหรือมองในแง่หนึ่งดูมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ในส่วนลึกของความสำนึกอันแท้จริงดูเหมอนว่าเราแต่งกายเพื่อให้เราเกิดความรู้สึกพอใจในตนเพื่อแสดงตนให้เด่นในสังคมเพื่อให้คนอื่นเกิดความนิยมเรื่มใสในตนเพิ่มพูนบุคลิก ลักษณะให้เด่นขึ้นจนเป็นที่สนใจของผู้อื่นด้วยอาการอย่างนี้หญิงจึงมักพิถีพิถันเป็นพิเศษเพราะโดยนิสัยหญิงชอบแสดงตนในทางความงามมากกว่าชายเมื่อได้รับคำสมว่าแต่งกายงามก็มักเอื้อมอิ่มใจและพอใจตนความพอใจในตนเป็นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดคือการแต่งกายเพื่ออวดเพศตรงข้าม ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าเด็กพอเริ่มหนุ่มเริ่มสาวก็จะเริ่มพิธีพิทันในการแต่งกายพร้อมๆกับเริ่มสนใจในเพศตรงข้ามและต้องการให้เพศตรงข้ามสนใจในตนความพิธีพิทันในการแต่งกายนี้จะดำรงอยู่จนกว่าจะพ้นเขตหนุ่มสาวหรือแต่งงานแล้วคือจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่มีความจาเป็นในการแต่งกายอวดเพศตรงข้าม สตรีจะลดการแต่งกายลงเมื่อมีสามีแล้วเพราะรู้สึกว่าการแต่งกายเพื่ออวดเพศตรงข้ามของตนได้บรรลุจุดประสงค์แล้วแต่เธอยังพอใจแต่งให้เด่นเมื่อต้องการเข้าสมาคมเพื่อปุมเด่นและเพื่อแสดงตนเป็นคนสําคัญในสมาคมนั้นเพื่อเป็นจุดสนใจของคนในสมาคมดังได้ดกล่าวแล้วว่าสตรีย่อมลดการแต่งกายลงไม่มากก็น้อยเมื่อแต่งงานแล้วแต่เมื่อสามีตายลงเธอตกเป็นไม้ และยังประสงค์จะแต่งงานใหม่อีกความพิธีพิธันในการแต่งกายก็จะกลับมาอีกแสดงว่ายังมีความประสงค์ที่จะอวดเพศตรงข้ามให้สนใจตนเพื่อเป็นทางไปสู่จุดมุ่งหมายคือการแต่งงานใหม่ชายที่หลงรักหญิงและยังไม่แน่ใจว่าหญิงนั้นรักตนหรือไม่ย่อมจะสนใจเป็นพิเศษต่อรูปร่างและการแต่งกายของตนทั้งนี้เพื่อทําให้คนที่ตนรักเกิดความพอใจและยอมรับรักตนในที่สุด หญิงสนใจเหมือนกันซึ่งการแต่งกายอันประณีตทันสมัยของชายพอๆกับบุคลิกคือท่าทางการพูดจาอันสมเป็นชายของชายนั้นแต่เมื่อแต่งงานแล้วชายเกือบจะไม่สนใจในการแต่งกายเลยสังคมปัจจุบันไม่ถึงสังคมที่เจริญแล้วถือว่าการแต่งกายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของคนเป็นเครื่องมือแสดงถึงนิสัยใจคอว่าผู้นั้นเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามเราจะถือเอาเพียงเครื่องแต่งกายอย่างเดียว ม, มาวัดหรือตัดสินคุณค่าของคนเสมอไปหาได้ไหมเพราะความจริงได้เผยให้เราเห็นอยู่ว่าบางคนแต่งกายดีรูปงามแต่ใจโสกปกมีคุณธรรมอยู่ในใจน้อยเหลือเกินชนิดที่กลายเป็นคนใจเป็นสัตว์ก็มีที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า c h a t อ er ิคนประเภทนี้ยิ่งมีการศึกษามาก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 แต่อุปนิสัยหาเหมือนกันไม่คนหนึ่งไปอย่างหนึ่งนั่นแสดงว่าการศึกษาและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทำให้คาแรคเตอร์ของคนเปลี่ยนแปลงไปทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คาแรคเตอร์ของคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยนั่นคือการปฏิบัติธรรมถ่ายเทสิ่งชั่วในอุปนิสัยให้หมดไปทีละน้อยแล้วบรรจุเอาอุปนิสัยดีเข้าแทนที่เหมือนค่อยๆถ่ายเอาน้าเสียออกไป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 ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสังคมใดก็าตามท่านจะเห็นคนที่มีการศึกษาอันไม่สมบูรณ์ดังกล่าวนี้ปะปนอยู่ด้วยเสมอสังคมของเราไม่อาจก้าวหน้าไปได้เท่าที่ควรวเพราะสังคมยังรกอยู่ด้วยบุคคลประเภทนี้บุคคลที่เห็นแก่ตัวจัดจยอมทำทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองผลร้ายจะตกแก่สังคมส่วนรวมอย่างไรเขาไม่คำนึงถึงการโกมเงินสร้างถนนสร้างสะพานหรือสร้างอะไรอื่นๆอันเป็นสมบัติส่วนรวม สมบัติของประเทศเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องที่กล่าวนี้เขาไม่รู้หรือว่าผลเสียหายจะตกแก่ส่วนรวมเขารู้แต่เพราะเขาเห็นแก่ตัวจัดเกินไปขาดมโนธรรมจึงทมลงไปอย่างนั้นถ้าบ้านเมืองยังรกอยู่ด้วยคนแต่งตัวสวยๆแต่ขาดธรรมประจําใจการพัฒนาประเทศก็ไม่อาจให้ถึงจุดหมายได้ธรรมจึงเป็นรากฐานอันสาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ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 เพราะแม้จะไม่ถูกเบียดเบียนบีบคั้นจากคนอื่นหรือจากสิ่งภายนอกแต่ก็หารอดพ้นจากการเบียดเบียนตนเองไม่คือตนยังเบียดเบียนตนเองอยู่ตนยังเล่าร้อนอยู่เร่าร้อนเพราะอะไรอะไรทําให้เร่าร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมันเผาอยู่ภายในแสดงออกให้เห็นภายนอกคือทุกขโทมนัสความร่ำไรรําพันสมดังที่พระองค์ตรัสว่า นาคิตะเราไม่ติดยศยศก็ไม่ติดเราเราได้สุขอันยิ่งกว่าราบสการะแล้วราบสการะประเภทอาหารการกินนั้นในที่สุดก็เหลือลงเป็นอุจจาระปัสสาวะทำนองเดียวกับความรักซึ่งมีความโศกความร่ำไรลำพันเป็นผลผู้พิจารณาเห็นความเกิดดับในอุปาทานขันห้าย่อมเห็นความไม่ดีแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันห้า เมื่อภายในของบุคคลยังไม่สงบก็หาชื่อว่ามีความสงบแท้จริงไม่ความสงบแท้จริงหรือสันติภาพถาวร lasting peace น่นั้นจะต้องไปจากภายในของบุคคลแต่ละคนในสังคมเหมือนมีไฟคนละดวงเมื่อแต่ละคนดับไฟข้องตนได้ไฟของส่วนรวมก็ชื่อว่าดับความร้อนของสังคมก็ถึงความดับลงเหลืออยู่แต่ความสงบเย็น สันติภาพถาวรเกิดขึ้นได้โดยวิธีนี้อันหนึง่งเมื่อสงบตนเองได้แล้วพึงช่วยอนุเคราะห์ผู้อื่นให้สงบด้วยดังเส่นพระผู้มีพระภาคเจ้าวงเล็บสันโตโสรภควาสมถายะธรรมมังเทเสติข้อว่าผู้ฝึกตนนั้นอธิบายว่าทรมานตนให้หมดพยศคือฝึกอินทรีย์ของตนให้เชื่องฝึกจิตของตนให้ควรแก่การงานคือสมาธิฝึกกายวาจาของตนให้เป็นผู้ดี จะพา น, า, นาความเรื่องนี้พอสังเขตคนเราเกิดมาทุกคนเหมือนไม้ที่ตัดมาจากป่ายังมีกิ่งก้านใบรุงรังลำต้นก็ขรุขระไม่สม่ำเสมอเมื่อช่างไม้ต้องการไม้นั้นมาทาสัมภาระเช่นประตูเรือนหรือกระดานพื้นเรือนย่อมถากเลื่อยไม้ที่เคยรุงรังให้เรียบและดูสวยงามคนก็เหมือนกันเกิดมาถ้าปล่อยให้เติบโตขึ้นมาเหมือนลูกวัวลูกควาย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 คนฉลาดต้องฝึกฝนตนเองรู้สึกเสียใจในความบกพร่องเล็กๆน้อยๆอยของตนไม่ประมาทว่าสิ่งนี้สิ่งเล็กน้อยเพราะสิ่งเล็กน้อยอาจทำให้คนอื่นมองเห็นลักษณะนิสัยส่วนใหญ่ของเราได้เหมือนเราสามารถมองเห็นความเป็นไปในห้องใหญ่จากช่องเล็กๆของประตูหรือฝาผนังกายวาจาที่ฝึกดีแล้วเป็นเครื่องเพิ่มพูนส่งเสริมบุคลิกลักษณะ ของผู้นั้นให้เด่นเป็นเครื่องเชิดชูให้ดูหน้าเกรงขามหน้าเคารพนับถือหน้ากราบไหว้บูชาคนเราจะดีเองไม่ได้ต้องฝึกฝนอบรมต้องฝึกหัดเมื่อได้ที่แล้วย่อมมีผลคุ้มไปทั้งชีวิตและยังติดเป็นอุปนิสัยและวาสนาในชาติต่ อ, ต อ, ตอไปอีกด้วยต้องไม่ลืมว่าคนอื่นเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเท่านั้นคนสาคัญ ในการนี้คือตัวเราเองถ้าตัวเราเองไม่เอาเรื่องเสียแล้วแม้ครูฝึกชั้นบรมครูก็ไม่อาจฝึกเราได้การฝึกฝนตนเป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อฝึกได้แล้วก็ช่วยผู้อื่นด้วยดังเช่นพระศาสดาทันโตโสภพกวาธรรมทายะธรรมังเทเสติจะพนานาเรื่องการฝึกอินทรีย์กล่าวคือตาหูจมูกเว้นกายและใจรวมเรียกว่าอินทรียหก ตามปกติสามัญมนุษย์เมื่อเห็นรูปสวยตาเป็นผู้เห็นย่อมต้องการมองและต้องการดูสิ่งแปลกๆใหม่ๆจึงไปเพื่อดูเพื่อเห็นสมดังข้อความในอนุตตริยสูตรว่าบุคคลบางพวกย่อมไปเพื่อเห็นเพื่อดูช้างบ้างม้าบ้างกษัตริย์บ้างนั่นไม่ใช่ทัศนานุตตริยะคือไม่ใช่การเห็นอันประเสริฐยอดเยี่ยมเป็นต้น คนหนุ่มย่อมชอบมองหญิงสาวที่สวยเด็กสาวก็ชอบเหมือนกันชอบมองคนหนุ่มที่รูปงามนี่คืออินทรีย์ตามธรรมดาที่ยังไม่ได้ฝึกบางทีเมื่อพบรูปหญิงหรือรูปชายที่ชอบใจต้องมองจนเหลียวหลังราคะย่อมไหลาตามมาทางสายนี้เข้าไปซึมซาบอยู่ในดวงจิตอินทรีย์คือจักษุที่รับการฝึกแล้วมีความอดทนต่อสิ่งสวยงามได้มาก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 อินทรีย์ทั้ง6นี้ท่านเปรียบด้วยสัตว์6ชนิดอันมีความโน้มเอียงต่างกันตามภูมิกําเนิดต่างว่าลิงนกงูสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกและจระเข้เมื่อปล่อยให้เป็นอิสระลิงย่อมชอบใจเข้าป่าปีนต้นไม้นกบินไปในอากาศงูเข้ารูหรือจอมปลวกสุนัขบ้านเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกเข้าป่าและจระเข้เล่ยลงน้ํา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 ความร่านของอินทรีย์มีตาเป็นต้นย่อมสงบลงตามเหมือนหนึ่งสัตว์ที่อดอาหารหมดกาลังไปทีละน้อยการฝึกจิตกับการฝึกอินทรีย์ภายนอกยึงต้องทำไปพร้อมๆกันโดยปกติก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนคนที่รับการฝึกทหารย่อมได้ท่าในการฝึกและกําลังกายไปพร้อมๆกัน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 สัน ต, ติมหาอามาตย์เขาเป็นอามาตย์ของพระเจ้าปเปเสนธิโกศลแห่งสาบถีนครครั้งหนึ่งมีคนก่อความวุ่นวายขึ้นในชนบทพระเจ้าปเปเสนธิทรงส่งสันติมหาอามาตย์ไปปราบเขาปราบได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาพระเจ้าปเปเสนธิทรงพอพระทัยมากถึงกับมอบราชสมบัติให้ครองเจวันเพื่อประกาศเกียรติคุณของมหาอามาตย์ที่สามารถปราบ หรือทําความวุ่นวายในชนบทให้สงบลงได้เพิ่มเติมความหมายอินเดียเป็นประเทศกว้างใหญ่มีพลเมืองมากมีความวุ่นวายอยู่เสมอขณะที่เขียนเรื่องตอนนี้ก็วุ่นวายอยู่หลายเมืองเกี่ยวกับแขกฮินดูตีกับแขกอิสลามผู้เขียนพระองค์ได้พระราชทานหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องให้นางหนึ่งสัน ต, ติมหาอมาตเมาสุราอยู่ถึง7วัน ในวันที่เจ็ดนั่นเองหลังจากเมวสุราเต็มที่แล้วขึ้นช้างไปท่าน้ำเพื่ออาบน้ำได้เห็นพระศ า, ศาสดาในระหว่างทางเขาพงกศีสะแสดงความเคารพพระศาสดาทรงแย้มเล็กน้อยเมื่อพระอานนทูล ถ, ถามถึงสาเหตุแห่งการแย้มสวนจึงตรัสว่าอานน์วันนี้สัน ต, ติมหาอมารานี้จกมาสู่สำนักของเราฟังธรรมแล้วจะได้บรรลุอรหัตผลและจักปรินิพาน ที่พระศ า, าสดาตัดกับพระอานอนท์นั้นมีคนหลายคนได้ยินด้วยข่าวเรื่องนี้กระชอนไปอย่างรวดเร็วบางคนตำหนิพระศาสดาว่าพูดพร่อยสันติมหาอมาตเมาสุราแต่งกายอย่างพระราชาอยู่เช่นนั้นจะสําเร็จอาร h a t h a ได้อย่างไรในวันนี้พวกเราจะจับผิดพระสมณโคดมในเรื่องนี้ส่วนพวกที่เลื่อมใสเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้าก็คิดว่าวันนี้พวกเราจะได้เห็นพุทธานุภาพและ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 คงไม่สามารถบรรเทาความโศกของเราได้ดังนั้นเขาพร้อมด้วยบริวารจึงรีบไปเฝ้าพระทศพลในเย็นวันนั้นเองทูลว่าขอพระตถาคตเจ้าได้โปรดประทานพระโอวาทเพื่อดับความโศกด้วยเถิดพระาศาสดาตรัสบอกว่าท่านมาสู่สำนักของเราผู้สามารถดับความโศกได้แน่นอนแล้วอย่าวิจกเลยอันที่จริงน้ําตาของท่านผู้ร้องไห้อยู่ในสังสารวัฏนี้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 พิจารณาอายุสังขารของตนทราบว่าอายุไขสิ้นแล้วจึงทูลลาพระาศาสดาเพื่อปรินิพานพระาศาสดาทรงทราบอาดีตกรรมของมหาอมารตและมีพระประสงค์ให้เขาประกาศปุพกกรรมนั้นเพื่อประโยชน์สองอย่างคือเพื่อให้พวกพิชชาทิฏฐิผู้คอยจับผิดพระองค์ได้มองเห็นว่าพระองค์ไม่ได้พูดเท็จเพื่อให้พวกสัมมาทิฏฐิที่มาประชุมกันเพื่อชมรีลาของพระองค์ และลีลาของสันตติมหาอามาตได้เห็นลีลานั้นสมประสงค์จึงตัดกับมหาอามาตว่าถ้ากรณ์นั้นขอท่านจงเล่าบุพกรรมของท่านและจงเล่าในอากาศสันตติมหาอามาต ถ, ถวายบังคมพระศ า, ศาสดาแล้วเหาะขึ้นไปในอากาศประมาณเจ็ดชั่วลำตาลทูลเล่าบุพกรรมของตนว่าในาศาสนาแห่งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์เกิดในพันธุมดีนคร คิดอยู่ว่าอะไรเนอะเป็นกรรมไม่ตัดรอนบีบคั้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นใครควรอยู่ได้แลเห็นการเปล่าร้องให้คนทําบุญนั่นเองเป็นกรรมไม่มีโทษจําเดิมแต่นั้นมาข้าพระองค์ได้เทียวประกาศให้คนทั้งหลายทําบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมและให้บูชาพระรัตนตรัยเพราะรัตน์อื่นจะเสมอด้วยพระรัตนตรัยมิได้มีพระราชาแห่งพันธุมดีนครสงทราบจึงพระราชาทานม้ารถ และช้างแก่ฆ่าพระองค์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการประกาศบุญกรรมนั้นพระราชทานโภคเป็นอันมากแก่ฆ่าพระองค์ฆ่าพระองค์ทํางานนั้นอยู่ถึง8ปดห 0,000 ืนปีโออายุมากแต่ <c oughs> ในสมัยรุ่งเจ้าองค์ก่อนโดยเฉพาะพระวิปัสสีนี่มีอายุเป็นหมื่นหมปีได้หลายหมื่นปีกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากกายกลิ่นอุบลฟุ้งออก จากปากนี่คือบุพกรรมของข้าพระองค์มหาอมาตทูลบุพกรรมของตนแล้วอยู่ในอากาศนั่นเองเข้าเตโชกสินคือกสินมีไฟเป็นอารมณ์บันดาลให้เปลวไฟเกิดขึ้นไม่สรีระปรินิพานแล้วธาตุทั้งหลายประดุดดอกมะลิล่วงลงมาพระศาสดาทรงขี้ผ้าขาวออกรับทรงบรรจุธาตุนั้นไว้ในสถูวเพื่อเป็นที่สการะบูชาของคนทั้งหลาย เพื่อผู้บูชาจะได้มีส่วนแห่งบุญวันนั้นเองภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าท่านทั้งหลายสัน ต, ติมห า, ามาต์ฟังพระพุทธพจน์แล้วอย่างประดับประดาเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างนั่นเองบรรลุพระอารหัตผลปณิพานแล้วควรหรือไม่นอ้อที่จะเรียกเขาว่าสมณะหรือพราหมณ์พระาศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเช่นนั้นจะเรียกว่า สำนะก็ได้เรียกว่าพรามก็ได้ในความหมายว่าเป็นผู้สงบและผู้เประเสริฐ ด, ดังนี้แล้วตัดต่อไปว่าบุคคลแม้ยังประดับร่างกายอยู่แต่หากประพฤติอยู่ในสุจริตเป็นอาทิมีเนยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นพอเขาสำเร็จเป็นพระหรันโดยที่ไม่ได้บวชเลยยังอยู่ในเครื่องประดับเลย <c oughs> ก็เป็นได้เหมือนกันเห็นไห นี่สมกับที่พระองค์ตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจริงๆสิ่งภายนอกจะทำอะไรได้ถ้าใจมันดิ่งไปเสแล้วฉะนั้นมองภายนอกอย่างเดียวก็ไม่ได้